ดับโกรธเรามาถึงจุดสำคัญแล้วคือเรื่องดับความโกรธความโกรธไม่ดีนะ่ะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วถึงข้าพเจ้าเขียนโทษของความโกรธมาแล้วใจก็คิดอยู่เสมอว่าเขียนให้คนรู้แล้วอ่านเหมือนเล่าเรื่องอาการปวดฟันให้แก่คนฟังอย่างนั้นเองเรื่องดับความโกรธนี่สิสำคัญ รู้ว่าความโกรธไม่ดีแล้วแต่ดับความโกรธไม่ได้เลยก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรดีขึ้นนักฉะนั้นเราพูดเรื่องดับความโกรธดีกว่าเป็นทางปฏิบัติที่ว่าดับโกรธนั้นข้าพเจ้าหมายถึงการปฏิบัติ3ขั้นคือ 1. นึ่ทำอย่างไรจึงจะยั้งความโกรธไว้อยู่ 2. มันโกรธแล้วทำอย่างไรจึงจะดับลงและสา ทำอย่างไรเราจึงจะเลิกเป็นคนขี้โกรธได้ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอเรียนให้ท่านผู้อ่านทราบด้วยว่าโรคพันนี้ข้าพเจ้าเป็นมาแล้วอย่างที่เล่ามาในตอนต้ น, ตนแล้วก็รักษามาหลายหมอเต็มทีทั้งหมอจีนหมอไทยหมอโบราณหมอสมัยใหม่ลองดูมากแล้วเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติที่จะเสนอในที่นี้จึงเสนอเฉพาะข้อที่เห็นว่าเป็นผลดี ยั้งความโกรธการยั้งความโกรธเป็นด่านแรกที่ว่ายั้งความโกรธหมายความว่าเราประทะกับอารมณ์ที่จะทำให้เราโกรธเข้าแล้วเช่นโดนเขาด่าอยู่โครมโครมใจมันจะโกรธแล้วจะทำอย่างไรมันจึงจะไม่โกรธวิธียั้งนั้นต้องยั้งที่ความไม่พอใจ ท่านคงจะได้ทราบจากพุทธศาสตร์ฉบับฉลอง25พุทธศตรวตรรษแล้วว่าโกธะเกิดจากปฏิฆะและปฏิฆะเกิดจากอรติอย่างนี้ลำดับของการเกิด 1. อรติคือความไม่พอใจไป 2. ปฏิฆะคือความขัดใจไป 3. โกธะคือความเดือดดานใจไป 4. โทสะ คือความคิดร้ายไปห้าพยาบาทคือความคิดแก้แค้นที่เรียงลำดับไว้นั้นเพื่อทวนความจำให้ท่านในข้อที่ว่าโกทะนั้นขยายตัวขึ้นจากปฏิฆะและจากอรติคือเดิมจริงๆเราไม่พอใจคืออรติกับสิ่งที่ได้ยินได้เห็นหรือได้พบปะ ครั้นไม่พอใจแล้วก็เกิดปฏิฆาความขัดใจครั้นขัดใจมากๆก็เดือดดานที่เรียกว่าโกทะตามรูปนี้เรามีโอกาสจะยับยั้งตัวไม่ให้โกรธอยู่เพียงสองระยะคือตรงอรตินั้นระยะหนึ่งถ้าเอาไว้ไม่อยู่ก็ขยับมาตรงปฏิฆาอีกทีหนึ่งจะที่ว่ามันขยายตัวเป็นระยะระยะนี้ความจริงมันเร็วมาก ไม่ใช่ไกลกันเหมือนระยะรถเม์คนที่ไม่สนใจฝึกจิตตัวเองเสียบ้างจะสังเกตไม่ได้เสียด้วยซ้ำมีเรื่องอะไรขัดใจนิดเดียวกว่าจะรู้ว่าตัวผิดก็โน่นละนอนอยู่โรงพยาบาลหรือไม่ก็นอนอยู่ในห้องขังแล้วเรียกว่าตีตัวรวดเดียวตั้งแต่อารติถึงตารางเลยแต่คนที่เคยศึกษาอบรมจิตบ้างแล้วจะมีเวลายับยั้งตัวมากขึ้นที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่า เวลาโกรธให้นับ 1-10 ถึงก็เป็นวิธียั้งตัวได้ดีเป็นการลดความเร็วของจิตลงแต่ว่าคนส่วนมากมักจะตั้งต้นผิดเข้าไปเจ้าเองนี่แหละผิดมานานทีเดียวคือนับ1ถึงเหมือนกันแต่ไปตั้งต้น1เอาเมื่อมันโกรธแล้วคือใจเดือดแล้วจึงนับแล้วก็เล่นนับอย่างที่ยิบนับไม่หายใจเอาเลย1ถึงสิบ ไม่ถึงเครื่องอึดใจมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ข้าพเจ้าทดลองดูแล้วการนับที่ได้ผลจะต้องเริ่มนับตั้งแต่จิตเกิดอรติคือเริ่มกระทบอารมณ์รู้ตัวว่าไม่พอใจก็เริ่มนับแล้วนับช้าช้าช้ากว่ากรรมการห้ามวยเขานับสักเล็กน้อยเวลานับต้องเอาใจจดจ่ออยู่กับการนับไม่ใช่ปากนับแต่ใจคิดถึงแต่เรื่องที่มากระทบ ระยะที่นับนั้นเว้นระยะหายใจเข้าสองครั้งออกสองครั้งจึงนับที1่พอดีโปรดดูรูปนี้รูปจะเอาไว้ใต้คลิปลองทำอย่างนี้ดูบ้างแล้วจะเห็นผลการระงับความไม่พอใจคืออรตินั้นไม่ต้องทำอะไรอีกก็ได้คือการนับนี่แหละเป็นการระงับอยู่ในตัวแล้ว เหตุใดการนับอย่างนี้จึงระงับอรารติได้ตอบไม่ยากคืออรารตินั้นเป็นเพียงความรู้สึกของจิตเท่านั้นถ้าปรากจิตออกจากอารมณ์ที่ทำให้ไม่พอใจนั้นเสียได้จะด้วยวิธีใดๆก็ตามอรารติมันก็ดับทีนี้การนับแบบโบราณนี้เป็นอุบายดึงจิตออกจากอารมณ์ทำได้ชั่วระยะหนึ่งอรารติก็ดับ อารตินั้นเท่ากับไฟที่ก้านไม่ขีดเท่านั้นดับด้วยลมปากก็ได้ไม่ต้องขอรถดับเพลิงมาช่วยให้เสียเวลาสำหรับข้าพเจ้าเองเวลาเกิดอารติขึ้นข้าพเจ้าคิดทีเล่นทีจริงว่าใจเรากับอารติกำลังชกกันพอใจนึกหาเหตุผลที่จะระงับอารติลงข้าพเจ้าเองก็เริ่มนับที่ต่างว่าเป็นกรรมการห้ามมวย แต่เป็นกรรมการที่เข้ากับตัวเองคือนับจนใจตัวเองชนะอระติถูกน็อกลงแล้วก็เรียบทำงานอื่นต่อไปนี่เราสู่กันฟังจะว่าเล่นก็ได้จะว่าจริงก็ได้แต่ทำแล้วได้ผลแล้วสนุกดีไม่เบื่อการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าท่านผู้ใดาถามว่าการนับ 1-10 ถึงเพื่อระงับความไม่พอใจเสียอย่างนี้ จะเป็นการปฏิบัติธรรมข้อใดก็ตอบได้ว่าทำอย่างนี้เรียกว่าธรรมะเป็นธรรมข้อหนึ่งในครวสธรรมธรรมะแปลว่าข่มใจแต่แทนที่จะนั่งหลับตากัดฟันข่มใจเอาเฉยเฉยเราเปลี่ยนเป็นข่มด้วยอุบายเท่านั้นเองตอนดับความโรกรธการดับความโกรธหมายความว่า ความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วเราจะดับมันในขณะที่มันกำลังโกรธเหมือนไฟมันลามขึ้นฝาเรือแล้วล่ะจะทำอย่างไรผู้ถืออาการของคนกำลังโกรธจัดเสียก่อนคนที่กำลังโกรธจัดนั้นหัวใจเต้นถี่และแรงระบบการสูบฉีดโลหิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจะทำให้ร้อนวูบวาบไปทั่วใบหน้าและประสาททุกส่วนในร่างกายจะเกรง เราจะเห็นคนโกรธจัดขบกรามเม้มริมฝีปากเนื้อตัวสั่นนิดๆเวลาพูดออกมาเสียงก็สั่นเหมือนกระแทกเสียงรวมอาการเหล่านี้แล้วแสดงชัดว่าคนโกรธจัดนั้นกำลังได้รับการทรมานทั้งนี้เป็นเพราะจิตรกระทบอารมณ์แรงเกินไปคือเกิดขัดใจอย่างรุนแรงจนเดือดดานที่เรียกว่าโกรธหรือโกรธ คนที่โกรธมากๆจะมีอาการลืมตัวลืมฐานะลืมศักดิ์ศรีของตนเองที่ไปยืนด่ากันเปลา่ปลาๆอยู่กลางถนนได้ไม่ไอายเด็กอายเล็กก็เพราะลืมตัวไปนั่นเองและตราบใดที่คนยังโกรธยังลืมตัวอยู่ตราบนั้นความโกรธจะระงับลงไม่ได้ความโกรธจะดับลงได้ต่อเมื่อคนผู้โกรธนั้นเองรู้สึกตัวเองอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าอ้อ เรากำลังโกรธความรู้ตัวอย่างนี้ภาษาธรรมะเรียกว่าสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวปัญหามีอยู่ว่าเมื่อไรสัมปชัญญะจึงจะเกิดขึ้นโปรดสังเกตยอย่างนี้คือความโกรธที่มันเผาใจเรานั้นมันฮือขึ้นเป็นระยะแล้ววูบลงเป็นระยะฮือขึ้นวูบลงฮือขึ้น วูบลงฮือขึ้นวูบลงไม่ใช่ฮืออยู่ตลอดเวลาจิตของคนธรรมดานี้ถ้าความโกรธมันโหมเต็มที่ไม่มีเวลาสั่งซาเลยเพียงสามสิบนาทีก็ทนไม่ไหวถ้าคนกำลังน้อยก็อาจจะเป็นลมสิ้นสติไปก่อนบางคนโกรธจัดและช่วงความโกรธมันยาวผิดปกติเจ้าตัวจะร้องโว้ย ขึ้นมาเฉยๆแต่โดยปกติแล้วความโกรธคือขึ้นเป็นจังหวะจังหวะช่วงที่มันคือขึ้นนั้นเพียงชั่วระยะหนึ่งอึดใจเป็นอย่างมากแล้วก็วูบลงตรงที่ความโกรธมันวูบลงนั่นแหละคนโกรธจะรู้สึกตัวพูดอย่างนักธรรมะว่าได้สัพพัญญะคือได้ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่ว่านี้แรกที่สุด ก็คือรู้ว่าตัวกำลังโกรธท่านคงจะเคยเห็นคนที่กำลังโกรธวุ่นวายอยู่นั้นนอกจากจะเอตโตโโชเกเรื่องอื่นๆแล้วเราจะได้เห็นเขาปรับทุกข์กับตัวเองเป็นระยะระยะไปเช่นพูดว่าแหมข้าเดือดเหลือเกินพูดโทษไม่น่าเลยอะไรก็ไม่รู้และคำอื่นๆในทํานองเดียวกันนี้ ตรงที่เขาอุทานคําเหล่านี้ออกมานี่แหละเป็นตรงที่ความโกรธวูบลงแล้วเขารู้สึกตัวการที่จะดับความโกรธนั้นก็ให้ดับตรงนี้ตรงที่ความโกรธมันวูบลงแล้วเรานึกถึงตัวนี่คว้าจุดตรงนี้ให้ได้แล้วจะทําอย่างไรพอรู้ตัวให้รีบเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียคือในขณะที่โกรธนั้นกําลังทําอะไรอยู่ ให้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นทันทีเช่นกำลังอ่านหนังสือก็ให้เปลี่ยนเป็นลุกเดินไปหรือกำลังเดินก็ให้เปลี่ยนเป็นนั่งถ้าอยู่กับบ้านอาจเดินเข้าห้องน้ำแล้วอาบน้ำเลยยิ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้ไกลจากการกระทำเดิมเท่าไหร่ก็ยิ่งดีในกรณีที่เราโกรธ จ, จัดจัดอาจถึงกับเปลีกตัวออกจากสิ่งแวดล้อมในขณะที่โกรธนั้นสักพักหนึ่งเช่นโกรธกับคนในบ้าน ก็ออกจากบ้านไปเสียที่อื่นใจสงบแล้วค่อยกลับแต่วิธีออกจากบ้านถ้าไม่จาเป็นก็อย่าทําแล้วถ้าจําเป็นจะทําก็อย่าทําให้มันบ่อยนักโกรธนิดก็ทิ้งบ้านโกรธหน่อยก็ทิ้งบ้านมันจะเคยตัวหนักเข้าตัวเราเองแหละจะฉวยโอกาสคนในบ้านไม่มีใครทําให้โกรธสักนิดก็หาเรื่องโกรธเองหนีออกจากบ้าน ทันทีเป็นธรรมะธรรมโมที่แท้อยากหลบไปค้างบ้านโนนตอนเลิกเป็นคนขี้โกรธหมายสุดท้ายคือฝึกตัวเองให้เป็นคนสุ ข, ขุมเยือกเย็นไม่เป็นคนใจน้อยเที่ยวโกรธคนนั้นคนนี้คนเรายิ่งใจน้อยคนอื่นก็ยิ่งอยากยัว่วยั่วคนใจน้อยมันสนุกดี วิธีฝึกมีอยู่หลายวิธีแต่ลังเนื้อชอบลังยาแล้วข้าพระเจ้าเขียนไว้ในที่อื่นมากแล้วบอกแล้วว่าวันนี้เพียงเก็บตกจึงขอเสนอเพียงสามขนานที่ข้าพเจ้าชอบคือ 1- พยายามมองอะไรในแง่ขำขำแม้แต่ในกริยาที่คนอื่นเขาสบประมาทให้เช่นเขาด่ามาแทนที่จะคิดว่าไอ้นี่ด่าเรา ก็ไปคิดวิจารณ์คำด่าของเขาเสียก่อนว่าเขาด่าว่าอย่างไรแน่อาจขอให้เขาด่าซ้าอีกโดยบอกเขาว่าเราฟังไม่ทันเพราะด่ากระทันหันมากเตรียมตัวไม่ทันถ้าเขาด่าเราว่าคนหมาหมาเราก็วิจารณ์คำว่าคนหมาหมาคือคนยังไงหมายความว่าคนกับหมาสองตัวหรือหรือหมายความว่าคนตีหมา หรือหมายความว่าหมากัดคนแล้วที่ว่าหมาหมาน่ลูกหมาหรือแม่หมาหมาอะไรหมาไทยหรือฝรั่งแล้วหมาตัวผู้หรือหมาตัวเมียคิดแล้วไม่รู้เรื่องด่าสั้นเกินไปด่าไม่ถูกวยากรประโยคคำด่าไม่ระบุประธานกิริยกรรมไม่ระบุการว่าอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบัน ตกลงคำด่ายังใช้ไม่ได้คืนเจ้าของเขาไปเรียบเรียงมาใหม่ดีกว่าอย่างนี้เราเรียกว่าหัดคิดในแง่ขทำทาให้ใจเราเย็นลงโกรธช้าแล้วเวลาฝึกหัดอยู่นั้นเราพยายามคิดเสมอว่าเรานี้เป็นคนเจ้าสาราญไม่ใช่คนใจน้อยทาไปนานๆเข้าเราจะเป็นคนเห็นอะไรขำๆจิตใจจะสบายขึ้น 2. แผ่เมตตานิยาตั้งทาตขนาดดั้งเดิมแต่สพรพคุณดีแผ่เมตตาที่ว่านี้นอกจากจะแผ่เมตตาตามแบบในเวลาไหว้พระสวดมนต์ตามที่ทราบกันอยู่แล้วยังจะมีอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีบริหารจิตทำได้ทั้งวันคือพอมองเห็นใครจะเป็นคนรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามให้นึกในใจกับเขาว่าขอท่านจงเป็นสุข หรือว่าเป็นสุขเป็นสุขนะก็แล้วแต่พยายามฝึกบริหารจิตอย่างนี้บ่อยๆจิตจะสงบเย็นลง3ทํทำสมาธินี่หมายถึงฝึกนั่งสมาธิจริงๆวิธีย่อๆคือหาที่สงัดนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกาให้ตรงและบริกรรมหรือกำหนดลมหายใจ หรือวิธีใดวิธีหนึ่งก็แล้วแต่เป็นการทำใจให้สงบนิ่งตามแบบพุทธศาสนาการทำสมาธินี้มีผลวิเศษในทางสร้างพื้นฐานของจิตให้สงบเยือกเย็นได้ผลยั่งยืนคำแนะนำา3ข้อที่ข้าพเจ้าเสนอนี้สำหรับข้อแรกคือการสร้างอารมณ์ขำนั้นเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเท่ากับปลูกกระท่อมไม้ไผ่อาศัยชั่วคราว ข้อที่สองการแผ่เมตตาได้ผลดีกว่าแต่ช้าหน่อยเท่ากับปลูกเรือนไม้จริงยิ่งวิธีนั่งสมาธิเห็นผลช้าแต่ทำได้แล้ววิเศษนักเป็นคุณธรรมถาวรเหมือนสร้างตึกอยู่นั่นแหละเสร็จช้าแต่เสร็จแล้วสบายไปนานตลอดชีวิตหมดกันทีเรื่องโกหะนี่แหละแกงส้มเปลือกแตงโม อ่อนเปรี้ยวอ่อนเค็มเชิญเติมเอง